ดังนั้นคำว่ากายที่พระพุทธเจ้าตรัสเหมือนจอมปลวกนี้ถือว่าเป็นภาระเนี่ยนะเป็นทุกขลักษณะประกาศถึงทุกขลักษณะเนี่ยนะทีนี้กายเหล่านี้ก็มีอันไม่เที่ยงเป็นธรรมดาเนี่ยนะอันนี้เป็นอะไรมีอันพิรำวมีเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาต้องประกอบประโอมอันนี้ประกาศอันนี้จะลักษณะในกายนี้และ อ, อันหนึ่งเขาบอกพระเปรียบเหมือนจอมปลวกวจอมปลวกเป็นใครสัตว์ที่อาศัยจอมปลวก คือใครเพราะนั้นกายนี้จึงไม่ใช่ใครแล้วก็ไม่ใช่ของใครมีความเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นแล้วก็แตกทำลายเป็นที่สุดเป็นที่อาศัยของสัตว์ทั้งหลายก็อย่างร่างกายของเราประกอบไปด้วยอะไรบ้างประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟและธาตุลมเนี่ยนะประกอบด้วยดินน้ำไฟลมธาตุดินมีอะไรบ้างผมคนเล็บฟันหนงังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอด ลำไส้ใหญ่สายรัดไส้อาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองในกระโหลกศีรษะเนี่ยนะน้ำดีน้ำเลือดน้ำเสลดน้ำน้องน้ำมันข้นน้ำมันเลี้ยวน้ำไขข้อน้ำมูกน้ำตาเป็นต้นแล้วก็ธาตุไฟที่ทําให้ร่างกายอบอุ่นธาตุไฟที่ทําให้ร่างกายเร่าร้อนธาตุไฟที่ทําให้เจ็บป่วยแล้วก็ธาตุไฟที่เผาสัจราเลยนั่นธาตุไฟเผาจนแก่ไปหมดเลย แล้วก็ธาตุลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องล่างลมในช่องท้องลมในลําไส้ลมพัดทั่วสารพรางกายทําให้ลูกเดินเหินเป็นต้นไปมาได้เนี่ยนะแล้วก็ลมหายใจเข้าหายใจออกสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกับจอมปลวกที่เป็นอะไรภาระเนี่ยนะที่ดูแลกันไม่หวาดไม่ไหวแล้วก็อันหนึ่งอันหนึ่งก็คืออะไร ไม่เที่ยงเนี่ยนะดูแลยังไงก็แตกทําลายเหมือนกับภาชนะดินในลหลายๆสูตรเนี่ยเปรียบเทียบต่างกันบางสูตรเปรียบกายนี้เหมือนจอมปลวกบางสูตรเปรียบกายนี้เหมือนกระท่อมนะเหมือนกระท่อมเก่าๆอยู่หลังหนึ่งบางสูตรก็เปรียบกายนี้เหมือนภาชนะดินเหมือนหม้อดินเนี่ยนะก็แล้วแต่บางบางสูตรก็เปรียบกายนี้เหมือนเรือรั่วนะก็แล้วแต่จะเปรียบแต่ก็สิ่งนี้ก็คือเป็นชื่อของกายในมีอาศัยบิดามารดาเป็นแดน เกิดเจริญด้วยข้าวสุกและขนมสดต้องอบต้องฟันเป็นนิดเพราะฉะนั้นแสดงว่ากรรมมชรูปอาหารชรูปอุตุชรูปจิตตชรูปก็พูดถึงภูตรูปสี่ที่มีลักษณะไม่เที่ยงคำว่รูปเนี่ยนะรูปเนี่ยแปลว่าสิ่งที่ต้องแตกสลายเป็นธรรมดาร้อนเกินไปก็ตายเย็นเกินไปก็ตายหนาวก็ตายหิวก็ตายร้อนก็นตายพร้อมที่จะตายเนี่ยนะไอ้ดูแลให้เป็นยื ด, ย, ด ย, ายาวเนี่ยยากมาก แต่ว่าพร้อมที่จะตายไม่ได้พร้อมที่จะมีชีวิตอายุยืนยาวนานอันนี้คือปกติของกายแต่การรู้อย่างนี้เพื่อประโยชน์อะไรการรู้อย่างนี้เนี่ยนะการรู้จักากายตามความเป็นจริงตันหาที่เยื่อใยติดข้องในกายเป็นตัวสร้างกายการเกิดขึ้นของกายเป็นการเกิดขึ้นของทุกข์ของโรคของฝีการสร้างกายก็คือสร้างทุกข์สร้างโรคแล้วก็ สร้างฝีถ้าตัดเยื่อใยอะไรในกายก็ดับกายได้ถ้าดับกายได้ก็พ้นจากทุกได้เพราะฉะนั้นก็จากพระธรรมคํำสอนที่เราได้ยินได้ฟังการพิจารณากายก็จงเป็นปัจจัยเพื่อการตรัสรูธ้ธรรมโดยทุกท่านนะเช้าช่วงนี้ก็ใช้เวลาเท่านี้ก่อนในมัชฌิมนิกายมูลปันนาถนะน ะ, ะพูดถึงการพิจารณาเนี่ยนะโดยเฉพาะพิจารณาธรรมะ เน้นพิเศษคือร่างกายหรือพิจารณาขันห้าการพิจารณาขันห้าเนี่ยยังไงก็ต้องพิจารณารูปประขันก่อนการพิจารณารูปนั้นในพระไตรปิฎกโดยเฉพาะพระสูตรจริงๆนั้นจะไม่ทําให้ซับซ้อนจะไม่ทําให้ยุ่งเหยิงและทําเรื่องให้ไม่มากแล้วก็อย่างการพิจารณารูปประขันยบอกเอางในในสูตรเนี่ยบอกพิจารณาภูตรูปก็แล้วกันถ้าพิจารณาภูตรูป ภูตรูปก็คือรู ป, ปกายนี่แหละร่างกายของเรานี่แหละนะที่ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟและธาตุลมนี่นะมีบิดามารดาเป็นแดนเกิดเจริญด้วยข้าวสุกและขนมสดแล้วก็ต้องมีการดูแลการนวดการฟันเป็นตน้นแต่ถึงอย่างนั้นก็มีอันไม่เที่ยงแตกทําลายแตกสลายไปในที่สุดมันก็เหมือนจอมปลวกเนี่ยนะเขบอกว่ากายอันนี้เหมือนกับจอมปลวก ให้เห็นถึงความเป็นอนัตตาเนี่ยนะเขาบอกว่าในอัตอตะกถาและก็ดีกาวิสุทธิมัตจะตุธาตัววัฏานเนี่ยกล่าวถึงว่าถ้าหากว่าอย่างเขาบอกว่าเหมือนมีจอมปลวกอยู่จอมหนึ่งแล้วก็มีญ่ากุสะเนี่ขึ้นบนจอมปลวกย่ากุสะเป็นต้นก็ไม่รู้ว่าตัวเองขึ้นบนจอมปลวกจอมปลวกก็ไม่รู้ว่าตัวตัวเองเนี่ยมีญ่ากุสะเนี่ยขึ้น ทั้งสองฝ่ายต่างไม่รู้ซึ่งกันและกันเป็นอพยกตะฉันใดกายของเราเนี่ยถ้าเปรียบได้กับจอมปลวกจอมปลวกเราก็จะเห็นว่าความไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลนิสัตานิชีวสุญญะว่างจากความเที่ยงว่างจากความสุขว่างจากความยั่งยืนว่างจากอัตตาว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาแต่ความจริงเหล่านี้ก็มีอยู่ความจริงเหล่านี้ก็มีอยู่แต่ดำรงอยู่ในสภาวะแห่งกองทุกเนี่ยนะเป็นกองทุกก้อนหนึ่งนะ อย่างก็เหมือนว่าโรคมะเร็งเนี่ยมันมีใครอยู่ในก้อนมะเร็งอันนั้นไหมมันก็ไม่มีไวรัสที่มันฆ่าทําให้สัตว์ตายเป็นจํานวนมากมีอะไรอยู่ในไวรัสอีกครั้งหนึ่งไหมมันก็ไม่มีมันก็เป็นเชื้อโรคชนิดหนึ่งที่สร้างแต่ความเสียหายรูปทั้งหลายก็ฉันนั้นเนี่ยนะมันก็เหมือนกับจอมปลวกนั่นเองเนี่ยจอมปลวกอันนี้เนี่ยนะจอมปลวกคือกายของแต่ละคนเนี่ยกลางคืนพ่นขวัญว่ากันนะคำว่ากลางคืนพ่นควัญเนี่ย พระพุทธเจ้าตรัสหมายถึงอะไรพ่นควันนะที่พง์บอกว่าปัญหาข้อที่ว่าหน้า327ปัญหาข้อว่าอย่างไรชื่อว่าพ่นควันในเวลากลางคืนนั้นดูก่อนพิสู่ทั้งหลายได้แก่การที่บุคคลขมักขม้นอยู่ในการงานในตอนกลางวันแล้วก็ตรึก ถึงตรองถึงในเวลากลางคืนนี้เรียกว่าพ่นควันในเวลากลางคืนหมายคือว่าก่อนจะทํางานเนี่ยก็คิดทบทวนงานทั้งหมดที่ตัวเองได้ทําตรึกถึงงานที่ได้ทํามาแล้วก็ตรึกว่าตัวเองจะทําอะไรต่อไปต่อไปบางคนเรียกกัะนอนกายหน้าผากเลยนะโบราณก็อาจจะมีภาพแบบนี้นะแต่สมัยใหม่เนี่ยเครื่องมือการบันเทิงมันเยอะมากเพราะฉะนั้นหลับไปพร้อมกับแสงสีเสียงอะไรแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็ดูต่อเป็นต้น แต่ถ้าเป็นโบราณสมัยก่อนเนี่ยมันเข้าห้องนอนแต่ก็เงียบใช่ไหมมันก็นอนกายหน้าผาคิดไปว่าทําอะไรบ้างต่อไปตัวเองจะทําอะไรกรุ่นอยู่นั่นแหละคิดว่าควันเนี่ยขมงแผ่ตลอดไปหมดเลยพระพุทธเจ้านี้เปรียบวิตกวิต ก, ต ก, กะความตรึกเนี่ยเหมือนกับควันไฟใช้ศัพท์ที่ไม่ยากเลยนะซึ่งเข้าใจได้ทันทีนะไอ้ความคลุนคิดเนี่ยความคิดบางอย่างความหมกมุ่นบางอย่างความตรึกบางอย่างมันก็เหมือนกับ พ่นพ่นควันวนั่นแหละเนี่ยนะคิดแล้วเนี่ยนะว่าเราได้ทำสิ่งนี้มาเท่านี้ น, นะสิ่งนี้ที่เรายังไม่ได้ทำจะเลือเลื้อเฉพาะเท่านี้มีสิ่งใหม่ๆอะไรบ้างที่จะต้องทำเป็นต้นไอการคุ่นคิดตึกตรองอย่างนี้แหละเรียกว่าพ่นควันก็คือพ่นความคิดตรึกตรองทเทยบว่วิตกวิจารนั่นเองนั้นคำว่า ภูมิยนาเนี่ยหมายถึงว่าความพ้นขวัญก็ตรึกคิดไปเรื่อยทีนี้กลางคืนเนี่ยนะคิดไว้แล้วว่าจะทําอะไรมัง่งบางคนเขาบอกว่ามีเรื่องอะไรเข้ามาสักเรื่องหนึ่งบอกขอเวลาคิดคืนหนึ่งมันบอกขอเวลาคิดสองคืน3ามคืนก็สรุปว่าขอเวลาคิดขอเวลาตรึกขอเวลาตรองอันนั้นแหละเรียกว่าวิตติ ก, กะพระพุทธเจ้าสอนนามธรรมาแล้วนะเมื่อกี้บอกว่าจอมปลวกอันนี้เป็นรู ป, ประทับส่วนนามธรรมานี่ก็บอกว่าเหมือนกับ ควันบุหรี่น่ะและมันก็กลุ่นแต่ควันอันนี้ควันของแต่ละคนไม่ใช่คงไม่ใช่แค่บุหรี่ใช่ไหมควันไม่อะไรดีก็แล้วแต่บางคนก็ควันเล็กบางคนก็ควันน้อยบางคนก็คิดมากบางคนก็คิดน้อยแต่สรุปว่าไอความตรึกตรองความคิดนึกทั้งหลายก็เหมือนกับควันไฟพอกลางคืนพ่นควันและกลางวันน่ะปัญหาข้อว่าอย่างไรชื่อว่าลุกโผลงในกลางวันนั้นดูก่อนพี่สุทั้งหลาย ได้แก่การที่บุคคลตรึกตรองถึงการงานในเวลากลางคืนแล้วย่อมประกอบการงานในกลางวันด้วยกายด้วยวาจาอันนี้เชื่อว่าลุกโผงในเวลากลางวันพอะกลางวันแล้วก็ทั้งเต้นทั้งเรา่าทั้งพูดทั้งโอ้ยขยับตัวจนไม่นิ่งเลยนะบางคนก็ได้พักนี้เดียวเนี่ยนะวันทั้งวันหยุดกินข้าวกินข้าวก็ยังคุยต่ออีกเนี่ยนะจัดแกงการงานด้วยกายบ้างด้วยวาจาบ้างขยับตัวอยู่ตลอดเลยนะเหงื่อท่วมตัวบางคน ก็แล้วแต่นะก็ดูอาชีพแต่ละอาชีพที่ประกอบกันในโลกเนี่ยมันเหมือนกับไฟไหม้เลยนะจนนั่งนิ่งไม่ได้กันแล้วกันคือพระพุทธเจ้าเนี่ยในในทัศนะของพระพร ะ, พระพุทธเจ้าหรือว่าในมุมมองของพระเรียเจ้าจะไม่บอกว่าคุณรับหน้าที่อะไรตำแหน่งใหญ่โตแค่ไหนจะไม่พูดในเงี้นั้นแต่พูดว่าอาการที่มันลุกลี้ลุกลนขยับตัวอยู่ตลอดมันเร่าร้อนจนเหมือน น, นิ่งไม่ได้เลยนิ่งไม่เป็นเลยนั่งนิ่งนิ่งสบายสบายได้ไหมไม่ได้ ต้องรีบลุกลี้ลุกลนสำนวนที่ว่ตาตะลีตะเลือกเนี่ยนะอยู่เต้ทำนะจากที่หนึ่งสู่ที่หนึ่งร้อนรอ น, รนกรวนกวายเหมือนไฟเผาทั้งวันเหมือนกันนะบางทีก็ทำงานที่เรียกว่าตากแดดเนี่ยนะไฟเผาร้อนทั้งวันถ้าแดดร้อนๆจะนั่งนิ่งๆก็ไม่ได้มั้นกายกรรมวจีกรรมพฤติกรรมทางกายกับถ้อยคำที่พูดเหมือนกับคนที่กำลังร้อนรนเราได้ยินสักกิลคำหนอที่คนพูดอย่างมีความสุข ดูว่าคนพูดเขาทําไมเขามีความสุขจริงๆเลยเนี่ยนะได้ยินบ่อยไหมแต่โดยมากเราจะได้ยินของคนที่ถูกไฟคือราคะเผาบ้างไฟคือโทสะเผาบ้างไฟคือโมหะเผาบ้างอยู่ด้วยความโง่เขลาอยู่ด้วยความไม่รู้อยู่ด้วยความทุกข์ความร้อนความยากความลําบากทั้งเหน็ดทั้งเหนื่อยเนี่ยนะแล้วก็เป็นถ้อยคําที่เกิดจากคาดหวังบ้างสมหวังบ้างผิดหวังบ้างแต่สรุปว่าเดือดร้อนเร่าร้อนกันไม่ใช่น้อยจนอยู่นิ่งไม่ได้ มีมือก็จะให้มือนิ่งๆก็ไม่ได้มีหัวหรือมีตาจะให้ตาดูนิ่งๆมีคือเงียบสงบอยู่อย่างสุขสบายก็ยากแท้เนี่ยนะก็สังเกตดูที่เวลาที่เราทํางานดูสิเหมือนคนกําลังถูกปิ้งระหว่ากลางวันเป็นไฟเนี่ยนะเ ร, รนเร่าร้อนเะนี่ยนะองเรื่องไหมนิ่งเลยไหมยากครั้งเรื่องนี่อันนี้ปัญหาข้อที่3ก็คือว่าลุกพลงในตอนกลางวันหมายถึงการทํางานกายกรรมวิีกรรมมโนกรรมเนี่ยนะ นะนะทบทวนน่าคงอันดับที่หนึ่งกายเหมือนกับจอมปลวกทุกคนมีร่างกายร่างกายทุกคนเหมือนกับจอมปลวกคิดตรึกตรองก็เหมือนกับพ่นควันออกไปแล้วพ่นไปทางทวารตาทวารหูมั่งพ่นคิดครุ่นคิดไปเรื่อยอดีตบ้างน่าคตรบ้างปัจจุบันบ้างเรื่องตัวเองมั่งเรื่องคนอื่นมั่งเรื่องลูกเรื่องล้านเรื่องงานเรื่องบ้านเรื่องช่องโอ้ยสารพัดนั่นแหละก ล, ลางวันก็พล่านไปโน่นทีพล่านมานี่ทีอยู่บ้านก็อยู่ไม่นิ่งแล้วเนี่ยนะ เดินขึ้นเดินลงเข้าเข้าออก อ, อกระทาห้ามไปหมดไปอีกวันอย่งกลางคืนก็สมควันต่อกลางคืนก็สมควันกลางวันก็พ่นไฟเนี่ยนะพอพ่อนไฟเสร็จกลางคืนก็สมควันต่อยกันนะควันก็ท่วมเนี่ยนะปีแล้วปีเล่าโอ้ยรอจะถึงวันอาทิตย์เนี่ยนะเปลี่ยนที่ถูกเผาต่อแค่นะั้นเองไม่ได้มีอะไรหรอกนะโดยมากก็เป็นอย่างนัน้เปลี่ยนที่จัดแกงด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจครุ่นคิดหมกมุน่นปีแล้วปีเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าบริหารจอมปลวกพระาณนั้น ดูแลอะไรนะเพราะไม่คิดเดี๋ยวจอมปลวกมันอยู่ไม่รอดกนละัวว่าจอมปลวกมันจะเดือดร้อนเนี่ยนะใช่ไหมก็ต้องจัดแจงกลัวจอมปลวกไม่มีกินเนี่ยนะดูจอมปลวกก็อยู่ไม่ได้เดี๋ยวกายนี้จะอยู่ไม่ได้ก็ทําไปเพราะจริงเพื่อจะทําเลี้ยงจอมปลวกเนี่ยแหละนะกายนี้ที่เปรียบเหมือนกับจอมปลวกคุ้นคิดตรึกตรองหาช่องทางมาเลี้ยงจอมปลวกแล้วก็สแสวงหาว่าเออจะไปเลี้ยงจอมปลวกว่ายังไงไปกินอะไรที่ไหนไปเข้าไปออกยังไงอะไรยังไงก็ สรรหาวิธีคิดที่จะบำรุงบำรเรือนเลี้ยงดูจอมปลวกคือกายนี่ก็ทมไปทีนี้บางคนไม่ได้มีจอมอยู่จอมเดียวมีหลายจอมเนี่ยนะบางบ้านมีห้าจอมหกจอมเจ็ดจอมเนี่ยต้องหาเลี้ยงจอมปลวกแต่ละจอมเนี่ยนะโอ้ยแล้วก็แต่ละจอมนี่ก็มีทั้งงูด้วยมีทั้งตัวอะไรตะกวดตัวโน่นตัวนี้สารพัดตัวที่อยู่ในนั้นน่ะมันก็กัดกันเองนะจอมปลวกบางตีกันเนาะก็หาเลี้ยงจอมปลวกบ้าเนี่ยนะที่เราลุกพลงในกลางวัน นี้ต่อไปปัญหาข้อที่สดูก่อนภิกษุคําว่าพราหมณ์นั้นเป็นชื่อของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่สั่งให้ขุดเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าคําว่าสุเมทะเป็นชื่อของเสขาภิกษุผู้ที่ยังบําเพ็ญไตรสิกขาอยู่คําว่าศาสตรานั้นเป็นชื่อของปัญญาอันประเสริฐคําว่าจงขุดนั้นเป็นชื่อของการปราลบความเพียรเสขาพิฆู ก, ก็คือผู้มี อธิศีนอธิจิตและอธิปัญญาอ น, นะศาสตราคือปัญญาขุดก็คือวิริยะตรงนี้ยกพิเศษยกอะไรยกสตินซปัญญินรีแล้วก็ยกวิริยินรียโดยตรงตรงตร ง, ตรงตัวเลยนะโดยอ้อมนั้นอนะ่ะคําว่าเป็นพราหม์พราหมณ์พระพูดถึงพระพุทธเ จ, จ้าหมายถึงว่าเรามีศรัทธาในพระองค์เนี่ยนะมันผู้ที่บําเพ็ญอธิศีนอธิจิตและอธิปัญญา ปลาอะ น, นะเจริญปัญญาปรารพความเพียรอะ น, นะด้วยศรัทธาที่มีต่อพรตนะตนตรัยเพื่ออะไรคำว่าลิ่มสลักนั้นเป็นชื่อของอวิชชาคำนั้นมีอธิบายดังต่อไปนี้ว่าดุพ่อสุเมธะเจ้าจงใช้ปัญญาเพียงดังสาตรายกลิมคืออวิชชานั้นเสียแล้วก็ขุดมันขึ้นเสียขุดอวิชชาซะอ น, นะขุดอวิชชาที่ไหน พอขุดไปขุดมาก็คําว่าอึงอ่างนั่ น, นเป็นชื่อของความกโกรธแล้วก็ความคับแคนเนี่ยนะซึ่งจะค่อยๆ อ, อ, อธิบายตามลําดับในหน้าหน้าเท่าไรหน้า342ที่บอกว่าตถาคตสัเ ส, ะ ส, ะสะตังอธิวัจนะเนี่ยคำว่าพระตถาคตเนี่ยเป็นชื่อของพราหมณ์หรือคําว่าพรามเป็นชื่อของพระตถาคตพรามณ์นั้นเป็นผู้ที่ลอยบาปประธรรมได้แล้วผู้ที่ลอยบาปประรรมได้แล้วชื่อว่าเป็น พรามลอยอะไรบ้างลอยราคะลอยโทสะลอยโมหะลอยมานะสกายะทิฏฐิวิจิกิจชาและศีลพัตะปราหามาผู้ที่ลอยอกุศสลธรรมอย่างนี้ได้เรียกว่าเป็นพรามพระพุทธเจ้าชื่อว่าเป็นพรามก็เพราะพระองค์ลอยอกุิสลธรรมทั้งหลายเหล่านี้ลอยราคะโทสะมโมหะมานะสกายะทิฏฐิวิจิกิจชาศีลพัตะปราหามาทั้งหมดทั้งสิ้นได้แล้ว สุเมธาเนี่ยคือคนที่มีปัญญาเนี่ยสุเมธาเนี่ยนะผู้ที่มีปัญญามีปัญญารู้คุณของพระรัตนตรยัยมีปัญญาเห็นโทษของวัตะแล้วก็มีปัญญาที่จะเจริญคุณธรรมเพื่อออกจากวัตตะ